ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อตัมบูฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วก็ามาฟังธรรมะกันในรายการธรรมะรับรุณนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันในวันอังคาร เป็นช่วงเวลาที่เราจะมาปฏิบัติร่วมกันไปชนิดที่เป็นรูปแบบมาฝึกนั่งสมาธิกันเลยเริ่มต้นด้วยการที่มาหาชัยนาสนะที่มีความสงัดในที่นี้หมายถึงที่ที่เราจะไม่ต้องพูดคุยกับใครรไม่ต้องตอบสนองกับสิ่งใดๆ อาจจะเป็นในคาเฟ่ช็อปที่มีผู้คนอยู่แต่เราก็นั่งแยกอยู่คนเดียวอาจจะในขณะที่เราออกกำลังกายวิ่งอยู่คนเดียวไม่ต้องพูดคุยกับใครอาจจะในขณะที่เราเดินทางนั่งอยู่ในรถที่มีผู้คนต่างๆแต่ไม่ได้พูดคุยกับใครหรืออาจจะอยู่ในห้องพักจะเป็นห้องนอนห้องพระ อยู่คนเดียวไม่ต้องพูดคุยกับใครหลีกเล้นเป็นลักษณะที่อยู่ในเซนาสนะอันสงัดความสงัดนั้นมีสองอย่างหมายถึงความวิเวกในทางกายกับความวิเวกในทางจิตความวิเวกในทางกายแต่เปรียบเทียบกับสถานที่ที่ไม่วิเวก สื่อสารที่ที่มีผู้คนพุกพล่านมีเสียงอึกอคือตึกคึกโครมมากมีกิจการงานที่ต้องสื่อสารติดต่อ น, นั่นนี่มีลมที่เกิดจากคนเข้าคนออกเยอะมีเสนาสนะที่ไม่วิเวกไม่สงัดส่นที่สงัดก็ อ, อย่างที่่าไปแล้วทนยกตัวอย่างถึงคนไม้ลมฟาง ริมลำทานในถ้ำป่าชัดป่าช้าที่ใดที่หนึ่งหรือแม้แต่เรือนบ้างห้องวางของเราเองก็ได้ทีนี้พอเราทำกายให้มีความวิเวกให้มีความสงัดแล้วต่อไปเราก็มาทำจิตให้มีความวิเวกให้มีความสงัดจนเรียกว่าจิตตาวิเวก วันนี้เราจะปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่านิโรธาสัญญาเราจะทำธรรมะให้เข้าไปสู่ในใจโดยการทำการปฏิบัติเนี้เราฝึกมาในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกายคตาสติไม่ว่าจะเป็นอนัตตสัญญาอริจฉสัญญาบางทีก็ฝึกมรณสติ บางทีก็ฝึกในรูปแบบต่างๆวันนี้เราจะมาฝึกในข้อนิโรธสัญญาเรามาฟังรายลเอียดในแม่บทหัวข้อนี้พระพุทธเจ้าทศวรรษในลหลายๆวาระบาไว้อธิบายถึงนิโรธหรือนิโรธสัญญาไว้ดังนี้ว่าพิสุตรหาย นิโรธะสัญญาคือความหมายรู้ในความดับเป็นอย่างไรคือบุคคลในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ปา่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนบ่างพิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่งสงบธรรมชาตินั่งประณีตกล่าวคือธรรมชาติ มันเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งความยึดถือคืออุปาิทั้งปวงเป็นความสิ้นไปแห่งตันหาเป็นความดับเป็นความเย็นหยังนี้นี่เรียกว่านิโรธสัญญานี่คือสิ่งที่ท่านไดตรัสไว้ เป็นรายละเอียดของหัวข้อคือแม่บทที่ยกขึ้นในเบื้องต้นนี้ว่านิโรธาสัญญาเราจะมาป ฏ, ฏิบัติในหัวข้อนี้ก็ไล่ไปตามข้อเลยตูมฟังไปตามลำดับเลยเราเข้าสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรืนว่างบทนี้คำนี้หมายถึงการที่เรามีเสนาสนะอันสงัด เหมือนที่เราอยู่นี่แหละอาจจะไม่ได้เงียบกริบเ ป, ปะ๊ะแต่ว่าไม่ต้องวุ่นวายยุ่งยากกับใครอาจจะเป็นในคอฟฟี่ช็อปหรืออาจจะเป็นในห้องพักห้องนอนก็ได้ทั้งนั้นเดินทางอยู่ก็ไม่มีปัญหาพอเข้าสู่ที่ลิกเรนที่สงัดแล้วเขาบอกว่าพิจารณาอยู่โดยประจักษ์ก่อนที่เราจะไปพิจารณาอะไรตัมบูฟัง จะให้มันดีมันได้เนี่ยทำจิตให้มันสงบสกักก่อนเพราะถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นการแค่คิดเดาเฉยๆคิดกับพิจารณานี่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าความคิดนั้นหมายถึงแค่สัญญาคิดนั้นอาจจะไม่ได้เข้าใจด้วยซ้าคิดนั้นอาจจะเป็นแค่จำได้ด้วยแค่นั้นด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เราต้องการคือความเข้าใจความลึกซึ้ง ความเข้าใจความลึกซึ้งไม่ใช่ความจำไม่ใช่แค่ต้องได้เราจะให้เกิดการพิจารณาทีไม่ใช่แค่จำได้เราทำจิตให้สงบีะก่อนในเบื้องต้นนี้เราใช้อานาปานสติมาทำจิตของเราให้มีความสงบนึกถึงระลึกถึงลมหายใจของเราเข้าก็รู้ออกก็รู้ ไมหายใจผ่านช่องผ่านโพรงที่อยู่ตรงหน้าของเราเนี่ก็เรียกนี้ว่าโพรงจมูกในโพรงจมูกนั้นมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่บริเวณจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นต่างๆกลิ่น้อมกลิ่นเม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารก็ผ่านตรงจุดนี้ล่ะ ใครที่นด้มันจะเอาหูไปรับกลิ่นได้ก็ต้องออจ ม, มูกประมาณสังเกตลมหายใจของเราเองหนะ้าที่ตำแหน่งนี้โดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกเราก็ให้รู้เฉยๆสังเกตอยู่หน้าที่จุดเดียวลมมันออกไปก็ให้รู้เฉยๆสังเกตอยู่หน้าที่จุดเดียวก็มาสังเกตอยู่ไม่ตามลม ป้นใบใบเหมือนครับยามหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเป็นตำรวจจะเป็นทหารจะเป็นยามที่ทำหน้าที่อยู่เรยกว่า security guard เฝ้าอยู่เนี่ยก็มไม่ได้ตามคนเข้าไม่ได้ตามคนออกไปแต่สังเกตคอยดูเฉยๆว่าคนนี้เข้าได้คนนี้ห้ามเข้านี่จะดูอย่างนี้ เหมือนกันเราสังเกตดูไม่ได้ต้องตามลมสังเกตดูเฉยๆคําว่าดูดูดูเนี่ยหรือรู้รู้รู้เนี่ยเราเข้าใจคํานี้ให้ชัดเจนสักนดิดหนึ่งคําว่ากําหนดก็ตามดูอยู่เฉยๆก็ตามรู้อยู่เฉยๆก็ตามมาจากศภาษาบาลีจึงหมายถึงการระลกรู้ดันเจ้ยนกำบังบบสติ พรคำว่ารู้นี้พอแปลมาแล้วหลายอย่างเช่นความรู้ก็มาจากส่วนที่เป็นปริยัติหรือเจเอาความรู้ที่หมายถึงวิ ช, ชาส่วนคาว่ารู้ที่ประกอบอยู่ในความหมายรู้ก็มาจากสัญญาหรือถ้าเป็นคาว่าเวทนามันก็มีคาว่ารู้สึกด้วยหรือในคาว่ารู้แจ้ง ก็มาจากคำว่าวิญญาณนี่ฉะนั้นที่บอกว่ารู้รู้นี่เราต้องหมายเอาเข้าใช้ถึงเงื่อนไขบริบทของข้อนี้ให้ถูกต้องหมายถึงการเราเลืกรู้คือมารู้อยู่ยเฉยเนยคือเราเลืกรู้คือสติยังไงคือสังเกตเฉยไงไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับให้มันต้องลมช้าลมสั้นลมแรง ลมหนักรมเบาลมร้อนลมเย็นไม่ต้องไปบังครับให้เขาเป็นอย่างธรรมชาติของเขาเอาใครที่ยังสังเกตดูไม่ได้แต่มาถึงป่านี้ถาจะหายใจแรงๆสักสองสามครั้งอันนี้คือบังคับเอาเลยเมื่อให้ใใจแรงๆสักสองสามครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้นะที่ตำแหน่งไหน ก็ให้ยใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนเดิมมันก็จะเป็นตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นแหละประมาณนั้นโดยที่ไม่ต้องไปเฉพาะเจาะจงให้มันมากบันคนคิดมากถึงขนาดว่ามันต้องเข้ามาจากปลายชมูนกี่มิลเมตรนะเดิมบริเวณที่รับรู้เนี่ยมันจะต้องกี่ตารางเซนติเมตร Shape ในการที่จะเข้าไปรับรู้นี่จะต้องเป็นสามเหลี่ยมวงกลม หรือเชฟโดนัทโน้ไม่ลงไปกังวลขนาดนั้นเอาคร่าวๆเอาคร่าวๆคร่าวๆแต่ว่าให้คมๆคมๆหรือหมายถึงจิตของเราต้องคมแน่นอนว่ามันจะทื่อนี่นะเพราะว่ามันมีอย่างอื่นปนมาจิตเราจึงต้องคมอย่างอื่นที่ปนมากลมนิ่มันมีอะไรมันคือคือกลิ่นนั่นแหละ ที่เข้ามาพร้อมกับลมหมใจมันก็คือความร้อนความเย็นนั่นแหละที่ออกไปเข้ามาพร้อมกับลมหมยใจแน่นอนว่าลมหม้ใจออกมันก็จะร้อนกว่าลมหม้ใจเข้าถูกไหหรือที่จะผนมาอย่างอื่นก็ลมก็จะเป็นเสียงด้วยที่ผ่านมาทางหูหรือถ้าลืมตาอยู่สังเกตลมไปด้วยมันก็มีภาพผ่านมาอีกในขณะที่เรารู้ลมนั่นแหละ ยืมปนมาแล้วนะ่ายืา่อแต่ต้องคมแล้วก็ยังมีความคิดนึกรอ่อยด้วยในสาคัญความร้อนความเย็นเกิดขึ้นทางกายเ ป, air, ปิดแอร์ปิดแอร์หรือว่าอากาศมันร้อนอากาศมันเย็นเป็นความคิดนึกคิดเรื่องคนนั้นคน น, ค น, นี้คนนี้ต้องทำอะไรอดีตผ่านมายังไงอางนาคจะไปทางไหนสิ่งเหล่านี้จะผ่านมาพร้อมกับลม มาพร้ำๆกันผ่านทางอเยตนะคือช่องทางไหนกันนะที่เรารู้ลมนี่แหละในที่นี้รู้จึงต้องคุมในการที่ว่าจะสังเกต ด, ดูให้ดีดูเฉพาะลมดูในหมายถึงการตั้งสติเอาไว้หมายถึงการกำหนดรู้หมายถึงการเอาใจจดใจจอหมายถึงการที่เราเพ่งเฉพาะอยู่ที่นี่ โยไม่ได้บังคับจิตอย่าไปบังคับจิตให้คิดโน่น no, โ no, no. ต้องไม่คิดใช่ไหมเอออย่าคิดโน no, ไม่ต้องบังคับนั้นด้วยอย่าไปบังคับในเรื่องเสียงในเรื่องความคิดในเรื่องการเอาใจจดจอเพราะว่าถ้าบังคับแล้วมันจะปวดหัวได้แต่ให้ทำอย่างเป็นธรรมชาติเป็นแค่สังเกตเราใจจดจอนั่นแหละคือสติ ไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับรู้สิ่งต่างเพราะวิญญาณการรับรู้มันเกิดขึ้นเสมอมันปนกันมาในช่องทางใจของเราซึ่งแต่เมื่อมันปนกันมาแล้วจิ่ใจเราแยกแยะไม่ออกไม่คมมันจะมารุมมาตุ้มมันจะมั่วกันไปหมดเราจะมึนไปหมดต่อไปการแยกแยะพิจารณามันก็จะทำได้ยาก เราจะไปพิจารณาเรื่องนิโรธสัญญานี่เราทำจิตให้สงบสะกรโดยเริ่มจากลมหายใจของเราใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งใ้การเราเลึกถึงจนเรียกว่าอาณาปานาสติเป็นทั้งสมถะก็ได้เป็นทั้งวิปัสสนาก็ด้วยเราเริ่มสังเกตดูแยแยะให้จิตของเรามีความคมสม้มาตรฐานธรรมัง หมายถึงสมาธิที่ให้จิตของเรามีความสงบสวนวิปัสสนาหมายถึงสมาธิที่ให้จิตของเรามีความคมมันต้องมารับมาเสริมกันคือเราสมาธิเป็นเหมือนหินรับมีดเอามีดของเราคือปัญญาของเราลับเข้าไปตรงนี้ให้เป็นคมหรือ ท, ทำจิตของเราให้คมโดยสมาธิสังเกตดูลมหายใจ สังเกให้ดีสังเกตหมายถึงตั้งสเสียไว้เกี่ยวกับไม่ตามลมนี่เราฝึกจิตให้มีความคุ้นชินในการที่จะไม่ตามความรู้สึกในการที่จะไม่ตามเสียงได้ยินเราก็รู้เฉยๆรู้นี่หมายถึงตั้งสเสียไว้รู้นี่หมายถึงวิญญาณก็ามาได้ยินแล้วหมายถึงคุณมีโสาวิญญาณเราก็รู้เฉยเหมายถึง คมีการระลึกรู้โดยไม่ได้บาตามสิ่งนั้นไปจะเป็นเสียงของผู้พูดจะเป็นเสียงไก่เสียงนกเสียงคนเดินทางเราไม่ได้ตามไปหรือแม้แต่ความคิดมีผ่านเกิดขึ้นมาเราแค่สังเกตรู้ดูเฉยๆไม่ตามไปก็ามารู้อยู่หมายถึงมีวิญญาณเป็นมโนวิญญาณเกิดขึ้น แตสติเราตั้งไว้อยู่กับลมไม่ตามการรับรู้คือเสียงคือกลิ่นต่างๆเหล่านั้นไปแต่ให้อยู่ที่เดียวตำแหน่งเดียวธรรมชาติแบบนี้ตัมฟังมันจะทำให้จิตของเราเนี่ยรวบรวมลงมารวบรวมลงมารวบรวมลงมาเพราะว่าจิตมันไม่ได้ซ่านไปตามเสียงตามภาพตามกลิ่นตามความคิดนึก ไม้ทำมันไม่ได้ซ่านไปเพราะว่ามันมีจุดรวบรวมคือสตินี่ไงพอเราตั้งจิตจดจ่อเอาไว้กลมหายใจรับรู้สิ่งต่างๆแล้วก็รู้เฉยๆไม่ตามไปสังเกต ด, ดูอยู่กับลมนี่จิตเรามันรวบรวมเข้ามาไม่ซ่านออกไปแล้วขณะที่จิตรวมลงรวมลงระงับลง ไม่ซ่านออกการที่จะรวมลงจนมันเป็นอันเดียวกันนั่นเรียกว่าเป็นสมาธิเหมือนกับเราใช้ว่านขยายสำมาฝังเว่นขยายก็ใช้เห็นสิ่งต่างๆได้คนอายุมากก็มักจะใช้ในการดูการอ่านหนังสือเราแว่านขยายนี่มารวมแสงราทิ่ดูในเวลากลางวานันกลางแจ้งถ้าจุดรวมแสง มันยังแบบตัวทั่วไปมันยังไม่มารวมที่พื้นผิวเดียวมันก็จะทั่วไปหมปดกระจากระจายสัานไปในหลายอย่างถึงถ้าเราเอาพื้นผิวสักอย่างใดงหนึ่งเป็นกระดาษนี้ก็ได้เรามาลองดูรางเอาไว้เราก็ทําการทดลองให้แสงเนี่ยตกลงบนพื้นผิวคือกระดาษนี้ปรับระยะดู เออให้จุดรวบรวมแสงเนี่ยจากที่มันจะกว้างมันจะเป็นกลมๆใหญ่ๆใกล้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหลือเล็กนี้เดียวนี่นะพลังงานที่เกิดขึ้นณจุดนั้นเนี่มันจะมากถเป็นเลนชนิดอย่างดีเนี่ยมันจะมากมายมหาศาลเดียนะวะ่าความร้อนเนี่ยล้อมละลาย สิ่งต่างๆได้เลยพอค้าปิ้งไก่ก็าเอาหลักการนี้แหละไปปิ้งไก่ขายโดยใช้แสงอาทิตยรวมแสงมาหมอเขาก็เอาหลักการนี้แหละไปทำมีดผ่าตัดเป็นเลเซอร์นักวิทยาศาสตร์ก็เอาหลักการนี้แหละไปทำไฟเบอร์ออปติกสื่อสารผ่านดาวเทียมบ้างผ่านสายบ้างหลักการเดียวกันนี้ถูกคนพบมาตั้งนานแล้ว แต่สมัยก่อนพระพุทธชจ้าจะอุบาตขึ้นด้วยตัวเราเองสามารถที่จะทดสอบทดลองได้ทันทีที่นี่เดียวนี้โดยการรวบรวมจิกรอขึ้นมาโดยการตั้งสติไว้ในที่นี้เราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือคือเเรนอาณาปานสติเมื่อมีสมาสติเตมุฝังตปนบอกวจะทำสมาสมาธิ ให้เกิดกันได้เพราะธรรมชาติที่จิตมันรม่มลงร่มลงเนี่ยมันมีพลังมันมีกำลังชื่อที่เขาจึงใช้เรียกสภาวะจิตที่เป็นแบบนี้หรือว่าจิตที่เป็นสมาธิในสมาธินี้แต่เปื่อว่าเมื่อไรเราออกจากสมาธิคือหมายถึงจิตมันไม่ได้รม่มลงแบบนี้คือเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วเนี่ย กำลังของสมาธิก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันจะไม่เต็มที่เหมือนอย่างตอนที่เราทำได้ซึ่งกำลังนี้ก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงไปตามกาลเวลาจุดนี้แหละที่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิเสื่อมหรือสมาธิเคลื่อนคนที่สมาธิเคลื่อนไปเสื่อมไปแล้วบันทีก็ไปทำผิดพลาดถืม เ, เป็นเฉพาะครั้งคราวที่คุณทำสมาธินั้นได้พอนอกเหนือจากคราวครั้งนั้นๆแล้ว มันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมตามเสียงตามภาพตามกลิ่นไประหว่าสมาธินั้นมันเคลื่อนไปแล้วเส่อมไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจะไม่ได้หยุดแค่การทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวด้วยสมาธิชนิดที่ทาให้เกิดความสงบเท่านั้นแต่เราต้องใช้สมาธิชนิดที่ทำให้เกิดปัญญาด้วยนั่นคือการวิปัสสนาในที่นี้เราจะเจริญ นี่โรชาสัญญาทำอย่างไรฟัองอีกครั้งหนึ่งตัมบูฟังเขาทำกันยังไงเอ้าก็พระพุทธเจ้าบอกว่ายัางไงก็ทำอย่างนั้นให้พิจารณาอยู่โดยประจักษ์อย่างนี้ว่าธรรมชาตินั่นสงบธรรมชาตินั่นประณีตกล่าวคือธรรมชาติอันเป็นที่สง บ, บระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืน ซึ่งอุปธิคือความยึดถือถึงปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาเป็นความดับเป็นความเย็นความดับความเย็นหมายถึงนิพพานนิพพานนี้แปลว่าเย็นธรรมชาติคืออะไรท่ามาฟังธรรมชาติของสปปรรพสิ่งในบริบทของนิโรธสัญญานั้น หมายถึงความดับไปนั่นเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความด่าเกิดขึ้นมาได้แล้วสิ่งนั้นทั้งหมดมันก็ต้องดับไปได้ด้วยเพราะว่าถ้ามันเกิดมันก็ต้องอาศัยเหตุเกิดสิ่งใดที่ไม่มีเหตุเกิดไม่มีปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่เป็นอยู่อยู่ยพุทธเกิดขึ้นมาเองมันไม่ใช่มันต้องมีเหตุ เหตุนั้นาจจะเป็นเทพเจ้าบรรดาลเป็นไปได้เหตุนั้นาจจะเป็นเหตุแห่งอุตุเรื่องของวิทยาศาสตร์บางทีมันก็เกิดขึ้นได้โดยที่เรายังไม่รู้เห็นฟ้าผ่าอย่างเงี้ยสมัยก่อนคนไม่รู้ว่ามันเกิดจากการเสียดสีกันของโมเลกุลอากาศโมเลกุลเมฆที่อยู่บนฟ้าจึงทำให้ฟ้าร้องฟ้าผ่าขึ้นคิดเป็นเทพเจ้าบรรดาล โน้ no, ไม่ใช่มันเป็นเหตุแห่งอุตุฟ้าผ่าบางครั้งที่พระเจ้าบันดาลก็มีฟ้าผ่าส่วนอื่นเหตุปัจจัยมาจากอุตุหรืออากาศก็มีเพราะฉะนั้นเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่มีหลายอย่างแต่มันต้องมีอ่ะไม่มีแล้วมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยมามันจึงเกิดขึ้นได้นี่เบสิกนะ Basic เบสิกนี่แหละมันสำคัญคิดใกล้กรนีอีกทีหนึ่งเราสับให้ละเอียดตัฟังไล่กันไปทีละข้อช้าๆด้วยจิตที่สงบเป็นนรมันเดียวไรที่ต้าเพื่าฟังฟังแล้วทำจิตให้สงบสงบแล้วมาพิจรารณาในข้อแรกพิจารณาถึงธรรมชาติอันไดอันหนึ่ง ที่มันสามารถมีอยู่มาได้มันต้องอาศัยเหตุมีเงื่อนไขอยู่ด้วยปัจจัยแล้วมันจึงเกิดขึ้นได้คํานี้เนี่ยเหมือนกันเลยนะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเมันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นซินนอนนี่เหมือนกันเป็นศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเมื่อมีเหตุมีเงื่อนไขดํารงอยู่ด้วยปัจจัยแล้วจึงตั้งอยู่ ความมีอยู่เป็นอยู่ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าบวฟังไม่ว่าจะเล็กจิ๋วขนาดแบบไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นระดับไมโครสโคปิกคือต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์มันก็ดำรงอยู่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยและเหตุของมันเหมือนกันหรือบางสิ่งที่บอกว่ายิ่งใหญ่มหาสารมโหูานใหญ่กว่าเทือกเขาหิมาลัยใหญ่กว่าโลกใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ ก็กาแล็กซีเราเนีแหละโอ้ใหญ่ไปกว่ากาแล็กซีกว่จักรวาลแล้วนี่แหละโอ้ใหญ่ไปกว่าจั ก, กรวาลคือจั ก, กรวาลมันอยู่ในอะไรมันก็ใหญ่ไปกว่านั้นเนี่ยมันก็อาศัยอยู่มีอยู่ทั้องอยู่ด้วยเหตุเงื่อนไขปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนมันอาจจะยังไม่ไปถึงมันยังสมัยก่อนเราเข้าใจว่าโลกแบนการนำลงอยู่กองดวงอาทิตย์โดยเหตุอย่างนี้อย่างนี้ ทีมันไม่น่าจะถูกเข้าใจใหม่นักดาราศาสตร์ก็ทําการคิด ค, นคน้นคํานวณไคร์กรุณาเหตุผลโอ้จึงมาค้นพบเรื่องกฎของแรงดึงดูดต่อมาเก็ค้นพบเรื่องขวันตั้มต่างๆทำไม่มีความเข้าใจถึงเงื่อนไขปัจจัยเหตุของสิ่งต่างๆนั้ได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุอะไรเงื่อนไขปัจจัยแบบไหน มันต้องมีแหละเราว่าจจะยังไม่รู้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดพลาดมาในทางความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือวาดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์ก็ตามแต่มันต้องมีเหตุแน่พอดูสิ่งที่เล็กจิ๋วถึงขนาดว่าใหญ่โตเมื่อหึอมาอย่าข้ามตัวเราไปด้วยตัวเรามันใซ้พอเหมาะพอดีเนี่ยมันก็อาศัยเหตุ ดำรงอยู่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยเหมือนกันตรงนี้แต่เหตุเงื่อนไขปัจจัยเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปไสิ่งนั้นมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นว่าคนที่ติดโควิดอย่างนี้พอถูกทําลายไปกากาศเข้าไปนี้ร่างกายไม่ได้ถ้าดมมันไม่เพียงพอที่จะประกอบกันอยู่กับถ้าอื่นให้ตั้งอยู่ได้คนนั้นก็ตายไป เยื่อนยงอื่นก็มีเยอะแยะไม่ใช่แค่ธาตุลมยังธาตุน้ำด้วยคนที่เป็นอาหิบาตก็โรคพอเหตุปัจจัยของธาตุน้ำเปลี่ยนแปลงไปเราก็ตายได้นั้นราะว่าเหตุเงื่อนไขที่มันประกอบกันอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปต้งการให้ดูข้อนี้นะเราไม่ได้จะพิจารณากายไม่ได้จะพิจารณาเราจะดูที่เงื่อนไขปัจจัย ที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่มันหายไปก็มันเปลี่ยนแปลงไปหายไปนั่นคือมีการดับได้หายไปได้ความมีอยู่เป็นอยู่ของชีวิตนี้มันก็ดับไปหายไปน้ำแข็งดูน้ำแข็งเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยว่าอุณหภูมิที่เท่านี้โดยความดันเท่านี้มันจึงทำให้สภาพ มันเกิดเป็นของแข็งขึ้นมาได้แต่ท่าอุภูมิเพิ่มขึ้นความดันเปลี่ยนแปลงไปสภาพความเป็นของแข็งมันก็หายไปนี่มันหายไปดับไปได้สิ่งใดสิ่งนั้นก็ตามที่เราเกิดขึ้นแล้วเมื่อเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามแล้วถ้าเงื่อนไขปัจจัยมัน หายไปดับไปที่ใช่มันคงอยู่แบบนั้นเนี่ยมันดับไปหายไปแล้วความเป็นอยู่อย่างนั้นก็ต้องดับไปหายไปหรือเปลวไฟตัวฟังมันจะมีอยู่ได้ปรากฏขึ้นเนี่ยมันต้องด้วยเงื่อนไขปัจจัยของความร้อนของเชื้อเพลิงและของออกซิเจนออกซิเจ น, เนต้องเข้าทำการสันดาบกันกับเชื้อเพลิง คำว่าสันดาปในหมายถึงมันบ่มขึ้นหมายถึงมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นจนในี่ที่เกิดเปลวไฟขึ้นมาคือการเข้าผสมกันในบางทีก็อาจจะเอาใส่คนๆด้วยกันแต่ในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงการแค่เอามาปนๆโดนๆกันแต่หมาย ถ, ถึงการสันดาปที่มันจะไม่เกิดเปลวไฟขึ้นมาเมื่อเปลวไฟเกิดขึ้นมานี่มันมีเหตุ แบบนี้แล้วทำไมถ้เราเอาน้ามันเบนซินใส่แก้วไว้เปิดฝ า, าไว้ด้วยและมาตั้งอยู่ในห้องทีอยู่นอภูมิปกติเนี่ยเราไมมันไม่ติดไฟขึ้นมาของประวังเงื่อนไขปัจจัยมันยังไม่พร้อมเบรวไฟมันจึงยังไม่เกิดออกซิเจนมันยังทําการสันดาบกับเชือเ้อเพลิงนั้นไม่ได้สิ่งที่ต้องเข้ามาด้วยนั้นก็คือความร้อน ก็มีความร้อนเป็นเงื่อนไขอันที่สามมีความร้อนถึงค่าค่าหนึ่งด้วยออกซิเจนอันนี้้ดยเชื้อเพลิงชนิดนี้มันก็จะสามารถเกิดการสันดาบติดขึ้นเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้แต่และ ว, วัสดุเชื้อเพลิงมีค่าความร้อนที่ต้องอาศัยในการที่จะให้เกิดการสันดาบเป็นเปลวไฟขึ้นมาได้ไม่เท่ากัน เช่นถ้าคุณใช้กระดาษมาจะทำยังไงให้มันติดไฟคุณก็ใส่ความร้อนเข้าไปเอาก็เอาไฟเนะี่ยไปจี้มันไฟนมีความร้อนสูงพอความร้อนที่เกิดจากเปลวไฟไปโดนกระดาษเรานั่งอยู่ในห้องก็มีออกซิเจนเต็มที่อยู่แล้วความร้อนนั้นก็จึงทำให้มันเกิดปฏิกิริยาการสันดาบเป็นการเผาไหม้ขึ้นมา เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมามันก็กินเชื้อคือกระดาษั้าไปแต่ถ้าตั้งอยู่เฉยๆมันไม่เป็นทีนี้วัสดุแต่ละวัสดุที่อามาเป็นเชื้อเปลิอนั้นมีค่าอุณนหนภูมินี้ไม่เท่ากันความร้อนที่ต้องอาศัยถ้าไม่ต้องอาศัยความร้อนมากนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็เกิดการสั่นดาบเป็นเปลวไฟขึ้นได้เลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวัตถุไวไฟ เพราะว่าความร้อนนิดเดียวแค่ประกายไฟนิดเดียวเนี่ยซึ่งมันจุดไฟติดที่กระดาษยังไม่ได้เลยแต่พอมันไปโดนกับแก๊ส LPG อย่างเงี้ยบึมเลยนะเพราะว่าแก๊ส LPG มีจุดที่อาศัยอุณหภูมิน้อยมากคือต่ำกว่ามันจึงไวไฟติดไฟได้ง่ายเราจึงเรียกว่าเป็นวัตถุไวไฟแต่ถ้าวัาสดุไหนติดไฟได้ยากเห็นพรมหรือ ผนังหรือวัสดุบางประเภทเอาความร้อนระดับที่เป็นเปลวไฟไปจอไ่อใส่มาเนี่ยมันยังไม่สันดาบไม่ติดเป็นเปลว เ, เกิดเป็นเพลิงขึ้นมาเลยเราก็เรียกว่าเป็นวัสดุทนไฟเงื่อนไขปัจจัยมันต่างกันนี่ไม่ได้จะมาสอนฟิสิกส์กันทั้งฝังมาสอนการพิจารณาให้เห็นถึงเงื่อนไขว่าถ้ามันแตกต่างกันไม่เหมือนกันเนี่ย มันก็ทาให้เหตุเกิดแตกต่างกันไปทีนี้เงื่อนไขปัจจัยเหล่านี้แหละถ้าเราเข้าใจแล้วเราดับจุดใดจุดหนึ่งเช่นคุณเอาออกซิเจนออกจากห้องนี้ให้หมดไฟมันก็จะดับลงทันทีเห็นไหเราจุดไฟใส่แก้วไว้คว่มลงแล้วก็เอาน้ำมาอยู่ข้างล่างด้วยให้อากาศที่อยู่ข้างในอยู่แค่ข้างในนี้ พอเปลวไฟเผาไหม้ไ ป, ประยะหนึ่งส่วนออกซิเจนภายในแก้วที่เราเก็บเอาไว้มีน้ํากันอยู่ด้วยมันก็จะหมดไปหมดไปแล้วเปลวไฟก็ดับไปเองหรือถ้าเราจุดเทียนไว้ในห้องของเราเรวเกิดว่าใส่เทียนมันก็ค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนมันหมดไปเลยจริงๆนี่ เปลวไฟนั้นก็ดับไปแต่ในที่บัางในห้องนี้นก็ยังมีออกซิเจนอยู่แต่เชื่อมันหมดแล้วถ้าเอาออกอันใดอันหนึ่งเปลวไฟก็ดับลงได้นี่นักสู้เพลิงนักะจนเพลิงก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขปัจจัยแบบนี้เช่นเดียวกันดมวังความดับนี่มันมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมด ล้วดมีความดับไปเป็นธรรมดาทำไมดับไปได้อ่ะเพราะเพราะว่าถ้าเงื่อนไขปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นมันก็ดับไปคือกเปลี่ยนแปลงเนี่ยหมายถึงมันแ่ใ จ, จยังมีอยู่แต่มันไม่ได้มีอยู่แล้วทำให้มันเกิดเห ต, เหตแบบนั้นน่ะเจตนําแข็งอย่างเงี้ยอุณหภูมิก็ยังมีอยู่แต่มันไม่ใช่ค่านั้น ความดันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่ค่าแบบที่มันจะให้เกิดความเป็นของแข็งขึ้นมาได้ไอ้ความเป็นของแข็งก็หายไปดับไปเปลวไฟนี้ก็เหมือนกันความร้อนในอากาศมไม่ใช่ไม่มีก็ ม, มีอยู่ธรรมดาเชืเ้อเพลิงก็ตังอยู่ตรงนี้อากซิเจนก็มีอยู่ทั่วไปแต่ทําไมมันไม่ติดเปลวไฟไปหมดทุกที่ทุกสิ่งทุกแห่งละ่ะเพราะว่าความร้อนไม่ถึงค่าของมันที่จะไปเกิดเปลวไฟได้ ขงเงินไขปัจจัยมันไม่ถึงจุดนั้นเน่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ให้มันถึงจุดมันก็เกิดถ้าออกเคลื่อนจากจุดที่มันจะเกิดได้มันก็ดับไปความเข้าใจข้อนี้สำคัญมากนะดูฟังคือถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ก็ไม่เข้าใจในธรรมชาติที่ว่าเออมันดับได้เอาแค่ว่าถ้าคนเข้าใจธรรมชาติแบบนี้ว่ามันดับได้ แต่ยังไม่ต้องไปรู้ถึงเหตุแล้วว่าอะไที่มันจะให้มันเกิดมันอะไรบ้างเนี่ยเอาแค่ okay, พเข้าใจธรรมชาติในการดับของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเกิดแล้วเนี่ยนะแค่นี้มันดีมากแล้วเพราะว่าทําไม่เข้าใจขอ้อนี้แล้วเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันแล้วไอ้สิ่งนั้นมันดับไปเนี่ยคนนั้นจะตกใจขึ้นันดีคคนที่ไม่เข้าใจข้อนี้ใช่ไหม ก็คิดวเออมมีอยู่ดีดี ด, ดีฉันชอบคิดว่าสิ่งนี้มีดีเพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะสะดุ้งสะดุ้งตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่มันเกิดได้ดับได้นั้นสดุ้งนี่มันทั้งสองทางแต่สิ่งใดที่เราไม่ชอบที่เราไม่ชอบฝนตกโอ้ยพอเหตุเงื่อนไขรปรัจจัยในการฝนตกมาฝนก็ตกก็ไม่ชอบแต่ถ้าคนไม่ชอบฝนตก แล้วเหตุเงื่อนไขของการที่ใ้ฝนตกมันดับไปฝนมันก็หยุดไปใช่ไหมเออดีดีดีใจดีใจขึ้นมาจากการที่ฝนหยุดตกเราก็จะสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆทั้งที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจตามแต่เหตุที่มันจะดับหรือมันจะเกิดจะมีความสะดุง้งสะเทือนไปตามสิ่งต่างๆโดยความไม่เข้าใจข้อนี้ ความเข้าใข้อนี้จึงสำคัญมากที่ต้องเข้าใจถึงความเกิดขึ้นความดับไปของสิ่งต่างๆที่มีเงื่อนไขปัจจัยแล้วจึงเกิดได้สิ่งต่างๆที่เงื่อนไขปัจจัยเปลี่ยนแปลงไปดับไปสิ่งนั้นก็ต้องดับไปทุกอย่างทุกสิ่งเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดจะเป็นของเราจะเป็นของเขา จะเป็นสิ่งมีชีวิตมีวิญญาณคลางหรือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณกลองจะเป็นสิ่งเล็กจิว๋วจะเป็นสิ่งใหญ่โตโมโหฬารมหาศารจะอยู่ในที่ไกลที่ใกล้จะเป็นของละเอียดหรือหยาบเป็นของเลวหรือประณีตจะเป็นของในโลกหรือนอกโลกก็ตาม ต้องเป็นอย่างนี้หมดหมดนะทุกอย่างที่จะเป็นแบบนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นอย่างนี้ได้เพรมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นยังไงเพรมันเป็นอย่างนี้มันต้องอาศัยเหตุต้องอาศัยปัจจัยเงื่อนไขเนี่ยทุกสิ่งอย่างเป็นอย่างนี้นี่นะคือในขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเองก่อนเนี่ยเราเอาขั้นตอนที่สองก็ได้ขั้นตอนแรกนะั่นคือทำใจให้สงบใช่ไหม ä? กันตอนที่สองมาพิจารณาให้เห็นโดยประจักษ์ในธรรมชาติแบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นได้ว่ามันดับไปได้เราเข้าใจข้อนี้แล้วเราจะไม่สะดุ้งเตือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเพราะอะไรที่มันดับไปตีถ้าเราชอบมันแล้วมันดับไปเออเราก็เข้าใจหรอกว่ามันก็เหตุมันดับมันเปลี่ยนแปลงเนาะหรืออะไรที่เรา ไม่ชอบใจแล้วมันดับไปเราจะไปดีใจเหรอเออเราก็เข้าใจแล้วเออเหตุปัจจัยมันปเปลี่ยนแปลงไปมันก็ดับไปในสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นเราก็จะไม่สะดุ้งสะเทือนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ, ๆที่ตบตูนดูถัดมาเราสังเกตดูเราไม่ได้ดูเงื่อนไขปัจจัยนั้นแล้วนะเราดูตรงความสัมพันธ์รือตเราเขียนภาพนี่ เอใช่ไหมหรือเขียนเกิดลูกศรไปเป็น B A เอไปเป็น B ถ้า A หายไปคว่มไป B ก็คว่มไปด้วยโอเคไม่มีปัญหาถ้า A เกิดขึ้นมาตั้งขึ้นมา B ก็ตั้งขึ้นมาด้วยก็เราพูดไปแล้วนี่ใช่ทำความเข้าใจข้อนี้ดีมากแต่ไมเข้าใจนี่เสียหายมากจะสะดุงสเตือนไป แล้วเข้าใจแล้วจะดีมากแจ่มแจ้งชัดเจนทีนี้เรามาดูตรงลูกศรมานี่แหละนี่คือสำคัญนะนิโรธาสัญญานี่เอาตรงลูกศรไม่ใช่เอาตรง A หรือตรง B ยังไงนะก็นี้เราเราวิจนารณนาตรง A ตรง B ให้ได้ก่อนเพราะมันเห็นชัดเจนกว่าถ้า A ดับ B ก็ดับใช่ปะถ้า A เกิด B ก็เกิด ก็ไม่ไสอนคณิตศาสตร์นะตำรวจฟังแต่ให้พยายามตำรวจฟังเนี่ยเข้าใจถึงหลักการก้อนี้ได้ว่าเงื่อนไขปัจจัยเหตุมันต้องอาศัยเหตุไปแล้วปรุงแต่งไปใช่ไหมละ่ะไอ้การที่ปรุงแต่งไปเนี่ยท่านใช้ศัพท์เนี่ยหมายถึงตัวลูกศรเอ่อมีคุณภูมิความร้อนเชือเ้อเพลิงสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุเหตุแล้วไง มันก็นจะเกิดผลเป็นเปลวไฟขึ้นบ้างเป็นสภาพความเป็นของแข็งของน้ำนกลาเป็นแข็งขึ้นมาบ้างเป็นฟ้าผ่าบ้างเป็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามแต่ที่เหตุ น, นั้นจะปรุงแต่งไปแต่ว่าปรุงแต่งไปเนี่ยมันคือลูกศรไปแต่มันดับใช่ไหมเ้ยดับบีก็ดับแต่ลูกศรมันยังมีอยู่ใช่ม เรี๋ยงเรามาพิจารณาตัวลูกศรเนี่ยว่ามันคือสังขารการปรุงแต่งที่มันมีอยู่นะสังขารการปรุงแต่งมีอยู่แล้วถ้าเผื่อว่าความร้อนมีเชื้อเพลิงมีออกซิเจนมีหรือไฟก็ติดขึ้นมาอีกแล้วมันติดได้ไงเนี่ยลูกศรมันยังอยู่ตลอดถ้าเหตุมันมาบูมทันทีเอ้มันก็ไปบีทันทีถ้าเหตุดับไปเอ็ดับไปบีมัก็ดับไปทันทีแต่ลูกศรมันยังมีอยู่ตลอด ฟังให้ดีการปรุงแต่งสังขารหลักการเนี่ยมันมีอยู่ตลอดนี่มันยังมีอยู่มันยังไม่ดับฟังอีกครั้งน่นนะคือถ้า A ดับ B ก็ดับตามใช่ปะ่ะเกิลูกศรยังไม่ดับถ้า A เกิด B ก็เกิดตามใช่ปะ่ะลูกศรก็ยังมีอยู่ตลอดกาลนานการปรุงแต่งเนี่ยหือลูกศรเนี่ยหลักการเนี่ยมันยังมีอยู่ ตลอดไม่ว่ามันจะเกิดหรือมันจะดับแล้วไงเนี่ยถ้านายเห็นตรงนี้แ่ะเห็นตรงที่ว่าลูกศรทำไมมันต้องมีอยู่ตลอดแล้วลูกศรมันดับไม่ได้หรอถ้ฟังที่เพิ่งฟังมาถึงตรงนี้ใช่ไหมไอ้ลูกศร น, นมันคืออะไรเฮรื่องตรายบอกว่าอย่า ง, งีงบอกว่าหากสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็น มไ ม, ไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงจะไม่มีอยู่แล้วไซความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงจะไม่มีเลยเพระเหตุที่สิ่งที่ซึ่งไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงนั่นเองจึงได้มีความรอดออกไปได้ ขอสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงนั้นจึงปรากฏอยู่ข้อนี้หมายความว่าถ้ามี A อเราเกิด b ได้ใช่ปะ่ะหรือถ้า a ดับไปแล้ว b ก็ดับไปเนี่ยลักษณะแบบนี้มันเป็นการปรุงแต่งอยู่แล้วซึ่งกฎธรรมชาติข้อนี้มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเอาแล้วไอ้กฎธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันไม่อาศัยเหตุหรอคืมันต้องมีเหตุของที่ว่ากดธรรมชาติเนี่ยมันคืออะไรเนี่นี่แหละจึงพูดถึงลูกศรที่ว่าไอ้กดธรรมชาตินี่คือลูกศรนี่แหละที่ว่าถ้ามีเอมีบีละมีความดันมีความร้อนเกิดไฟขึ้นละอะแต่ไฟดับก็ดับไปใแล้วธรรมชาตินี้มันมาได้ไงเนี่ยไอ้ธรรมชาติที่ใช้มันเกิดเนี่ยไอ้ลูกศรเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันมาไงเนี่ มันก็ต้องมีเหตุมีเงื่อนไขมีปัจจัยข้อมันเหมือนกันอะไรที่ทำให้ลูกศรนี้มันตั้งอยู่มีอยู่คงอยู่ถ้าเงื่อนไขปัจจัยนั้นหายไปต่อไปลูกศรนี้ก็ต้องดับไปหายไปธรรมชาติอันเป็นที่ระ ง, งับแห่งสังการต้งปะวงธรรมชาติอันเป็นที่สลัดเกินซึ่งความยึดถือต้งปวงเป็นที่สิ้นไปตันหาเป็นความดับเป็นความเยิ้น ไอ้ที่มันเชื่อมกันอยู่ได้นะทุกฝังเพราะมันเป็นตันหาตันหาเนี่มันทำให้เชื่อมกันแต่ทุกฝังอาจจะกีบามก็เป็นกฎวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเป็นปัจจัยอีกแบบหนึ่งต่อไปแล้วต่อไปแล้วมันจบที่ไหนเราจะบอกว่ามีลูกศอนอีกลูกหนึ่งมันทำให้ลูกศรนี้เกิดอล้ลูกศรที่สอนนั้นเกิดมาได้ไงก็มีลูกศรที่สมนั่นแหละมันทำให้ลูกศรที่สองเกิดแล้วจะมีลูกศรที่4ที่ห้าที่6ต่อไป ถึงอินฟินิตี้ละมันก็เกิดขึ้นตามได้เหมือนกันน่ะก็นี่ไงมันเป็นอวิชชามันบังอยู่ทุกขั้นตอนต่อไปแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกยังไงมันก็ไม่จบแล้วมันจบตรงไหนมันจบตรงอุปธิธรรมฟังอุปธิคือตัณหาและอวิชชาตัณหาเนี่ยยึดเอาไว้อวิชชาเนี่ยบังเอาไว้ มันจึงเกิดต่อไปแล้วก็ดับต่อได้เกิดต่อไปแล้วก็ดับต่อได้ดับได้ก็เกิดได้เกิดได้ก็ดับได้ตัณหาวิชามันทำงานแบบนี้แต่ธรรมชาติมันเป็นที่สงบระงับสลัดขึ้นเจ้าปัญหาดับไปของเจ้าอวิชามันต้องมีสิ่งสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้มีไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงะ ถ้ามันไม่มีเอาสิ่งที่เราอยู่ในโลกมันมีมันเกิดมันทํามันถูกปรุงมันเป็นการปรุงแต่งถึงมีลูกศรที่หนึ่งที่สองที่สามไปเรื่อยๆเอ๊ะแล้วถ้าบอกว่าธรรมชาติที่มันไม่ต้องปรุงแต่งแบบไม่ต้องมาเกิดไม่ต้องมาดับไม่ต้องเป็นลูกศรที่สองที่สามแล้วถ้ามันไม่มีใช่ป่ะมันก็ต้องไม่รอดแต่ว่าคนเรามันรอดได้นะเพราะว่าทางมันมีอยู่ ถารมีศรัทธาดมบังมีความเชื่อคือคนคนแรกที่เขาจะค้นพบทางนี้เนี่ยมันมันยากต้องใช้ความสามารถระดับสัมมาสัมพุท ธ, ธะจึงเห็นลูกสอนต่างๆมากมายแล้วยังไงนะ้ามันบนไปยังไงจึงทำลายเปลือกไข่คือเจ้าอาวิชชาที่ว่ามันห่อหุ้มใจิตใจของสัตว์ทั้งหลายท่านก็ท้อออกไปด้วยปัญญา โดยมักแปด้าไม่ออกไปแล้วบอกว่าโอ้นี่ทางหนีทางทางทางมันมาทางนี้ทางนี้มันมีอยู่ความรอดออกไปได้เนี่ยมันมีตามทางนี่คืออะไรทางที่ไม่องค์ประกอบอันประเสริฐแปดอย่างไงมันอยู่ตรงไหนในนิโรธมันอยู่ตรงตันหาไงลูกศรต่างๆที่มันเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขปัจจัย มันแล้วก็ต่อไปแล้วก็ต่อไปเนี่ยมันคือตนาที่กลืบคลานไปทายที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นั่นคืออวิชชาพรำเป็นวงกลมบังเอาไว้บราละตนาตรงนี้แหะเฮ้ย ท, ทำไมมันยังเกี่ยวยังไงนะอาศัยศรัทธามาตามทาง ท, ที่เราไม่เคยไปเปนบริวาเหมือนช้างที่จะมีคุณสมบัติเป็นองค์อวัยวะของประชาชนได้ ชางนั้นต้องเป็นผู้รู้ไปในการที่ว่าพระราชาหรือขวัญช้างสั่งให้ไปทางไหนที่เคยไปหรือไม่เคยไปก็ตามก็รีดไปทางนั้นโดยพลันในตลอดการยืดยาวนาะในสังสารวัตนี้ที่เดียวที่เราไม่เคยไปนั่นคือ น, นิพพานหรอจะไปทางไหนอ่ะไม่ว่าจะขี่ลูกศรเช่นไหน คุณก็วนไปวนมาในสารสเสวยภภูมินี่แหละถ้าสร้างอาสวะชนิดที่ให้เกิดเป็นเทวดาคุณก็ไปเกิดเป็นเทวดาเหตุเงื่อนไขมันมีถ้าคุณสร้างอาสวะอนุสัยชนิดที่ให้เกิดเป็นสัตว์นรกคุณก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกถ้าสร้างอนุสัยชนิดที่ให้เกิดเป็นพรหมคุณก็ไปเกิดเป็นอยู่พรหมตามลูกศอนตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาแต่ที่ที่ไม่เคยไปเลย นั่น น, นิพานเดินไปทางไหนเนี่ยถ้าให้ไปเนี่ยไปตามทางที่มีองค์ประกอบแปดอย่างสมมารถที่ทีเนี่ยเป็นองค์นำหน้าพิจารณาเห็นอะไรตัณหาเป็นเหตุเกิดของสิ่งต่างๆทำการปรุงแต่งของตัณหาให้มันสงบระงับความที่มันมีการปรุงแต่งมีลูกศรได้นี่แหละเพราะว่าอาศัยตัณหาอาศัยอวิชชา เราจะดับลูกสอนนี้ไม่ใช่ว่ามีลูกสอนอื่นให้เกิดลูกสอนนี้เราก็มีลูกสอนอื่นให้เกิดลูกสอนนี้ต่อไปต่อไปนั่นคือวิชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมไมันต้องปรุงแต่งอย่างนี้รา้วคุณจะรู้ได้ไงว่าทำไมไมันต้องปรุงแต่งอย่างนี้ความรู้เนี่ยคือความเข้าใจความรู้ความเข้าใจนี้อาศัยปัญญาในการเห็นตามความจริงว่า สิ่งที่เป็นอนัตตาอาศัยการปรุงแต่งไม่ใช่ตัวของมันเองเกิดขึ้นได้ดับได้ตามเงื่อขยขปจัจจัยนี้มันไม่ควรจะยึดถืออาไว้สําคัญนะตรงนี้ไม่ควรจะยึดถื อ, อไว้แตาไม่ควรยึดถื อ, อไว้ก็วางมันสิใช่เราควรวางมันเสียเราจะทำการปรุงแต่งต่างๆให้มันแบบดับไปมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นแต่มันอยู่ที่ตัณหาในจิตใจของเราต่างหาก ถ้าตัญหาในจิตใจของเรามันระงรับมันดับมันสิ้นไปมันเย็นใบเนี่ยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหล่านี้มันทําลายลงหมดมันดับหมดลูกศรเนี่ก็จะมีเกิดขึ้นไม่ได้ความดับความระงรับนี้คือนิโรธเราจะดับเราจะละตัญหาได้ทำจิตให้สงบแล้วเห็นสิ่งต่างๆที่ มีความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นได้ดับไปได้เนี่ยเราไม่ยึดถือในสิ่งนั้นเป็นความสลัดคืนแห่งอุปาธิเป็นความสิ้นไปแห่งตัณหาตัณหาความทะยานอยากอุปาธิความยึดถือที่เป็นพวงจนไปถึงอ ว, วิชชาต่างมีเงื่อนไขปัจจัยดับได้ เพราะความกลางคลายความดับไปของอวิชชาอาศัยอะไรมันจึงดับอวิชชาจะดับได้อาศัยวิชาให้เกิดมีวิชาเกิดอวิชชาดับไม่ใช่อาศัยอวิชชาอยกอันหนึ่งอวิชชาจึงเกิดอาศัยอวิชชาอยกอันหนึ่งอวิชาก็เกิดอวิชาก็มีอวิชานั่นแหะเป็นเหตุจะให้อวิชดาดมันไม่ใช่ว่าอวิชามันจะดับเพราะลูกสอนมันยังมีอยู่ตลอด แต่จะให้อวิชชาดับคุณต้องให้วิชาเกิดตัดมันไม่ใช่ให้ลูกศรดับตัดมันที่ลูกศร น, นี่เลยตัดมันยังไงใช้ปัญญาปัญญาอยู่ที่ไหนอยู่ที่วิชาวิชาจะเกิดขึ้นได้ไงาอาศัยโพชฌงโพชฌงอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติสัมโพชฌงสติสัมโพชฌงเกิดได้ไงอาณาปานสติหรืออนุสติแบบใดๆก็ตาม เราตั้งสติสัมปชัญญะไว้จ่เป็นสมาธิดูมันให้ดีดูแลอย่าตามไปดูแล้วให้เห็นความเกิดขึ้นความดับไปได้ดูให้ดีแล้วหเห็นความเกิดขึ้นความดับแล้ววิชาเกิดขึ้นวิชาดับไปมันยังไม่ดับไปเป๊ะเลยหรอกตำฟวงมันไม่ได้เหมือนเปิดสวิตช์ไฟอย่างนี้แต่มันจะค่อยจางกลายไป มันจะค่อยๆระ ง, งับไประ ง, งับลงระ ง, งับลงจนในสายเส้นลูกศรที่มันเชื่อมการบรุงแต่งกันมันจางคลายไปหักลงไปดับไปสิ้นไปเป็นความดับเย็นธรรมะกุญญาพันความเย็นความดับความระ ง, งับสิ่งเนินๆต่างๆก็เป็นธรรมชาติของมันนะแต่ที่แจ็คของเราเนี่ยมันจะเย็น ความเย็นนี้นั้นคือนิพานสิ่งที่ไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่แน่ให้มีความมั่นใจความมั่นใจนั้นคือศรัทธาความมั่นใจไม่ใช่ความเชื่อท่าฟังเราอาจจะไม่เคยไปโลสตานที่แบบนั้นแต่ก็บอกทางนี้ไปได้ถ้าไปได้ก็ลองไปดู ทำลองไปดูความรอดออกไปได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงนั้นมันมีอยู่ทางรอดนี่เพราะเหตุนั้นมีความดับแห่งเหตุนั้นมันก็มีโดยการดับตัณหาเนี่ยกำ บ, บ, บงังจะทำไม่จิตใจของเรานั้นพัฒนาไปได้ในการฝึกนิโรแธสัญญานี้ เราต้องทำจิตให้สงบสะก่อนทําบุฟังเพื่อจะม่เห็นตามการใคลคกรวนนี้ไปได้ในช่วงของที่เป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบจะมาพบกับทําบุฟังเป็นประจำในตุ้บนาคารรายการธรรมะรับบรุนตั้งแต่เวลาตี5ถึง6โมงเชา้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บริวาจะรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันกัประ้าพระมหาใบบูรณาพี่ปุโนโนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ชลประพันธ์